พอตายไปแล้วใส่ในหีบในโลงเสร็จแล้วลูกหลานอบค้อนไปเคาะโลงปอุกปุกปุกปลุกรับสินเนอแล้วกับค้อนไปเคาะโลงปุกปกปกปถวายทานรับผลทานเนอะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ้พวกเราทำเอาก่อนตายเลยรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนารมคุณงามความดี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 เพราะในสุวเอา ข, าของราคาถูกๆราคาห่วยๆมาทำบุญให้กับเรา เ, เราเป็นผีแล้วก็มองจนตาพริบๆพริบๆอยู่เพราะอะไรมันไม่ได้อย่างใจเราใช่ไหมละ่ะนี่หละ เ, เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องทำเอาเองเมื่อเราทำเอาแล้วนะ่นไม่ต้องลูกหลานให้เขาทำให้ลวกวอกหมดพอบุญกุศลเราพอแล้ว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 เราอารมณ์โมโหโกรธโกรธในขณะที่ทำบุญก็ไม่เป็นผลดีเหมือนกันนะเวลาจะทำบุญต้องทำใจให้ส บ, บายททำใจให้เย็นๆและลึกถึงคุณงามความดีถึงจะมีอารมณ์อะไรมากระทบกระแทกในจิตใจของเราเราก็พยายามวางใจของเราให้สม่ำเสมอในช่วงนั้นทามันผ่านช่วงนั้นไปแล้วนะมีอะไรยังคอยว่ากันแ่น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 ใช่อาการหนักเขาก็รู้ล่ะคงจะไม่นานแล้วก็อืพระเจ้าเป็นดินคงจะสวรรคตแล้วพระญาธรรมสุขเขาก็ไม่ปฏิบัติตามเลอเพระเอาเงินท้องประครังจุดนั้นก็ไม่เฉยน้อยเหมือนกันเลยเขาก็เสียดายเงินเอาไปละเลงละลายถลุงไปถวายพระสงฆ์เขาก็ไม่ถวายกถามเอาถวายได้ยังยังครับยังไม่พร้อมครับมามันยังไง พ่อหนี้ท่านก็โมโหขณะที่อออโมโหอย่างสุดโดยงั้นแหละว่าเขาไม่ไม่ปฏิบัติตามเอาถ้าเมื่อค่าขายหายเมื่อไหรค่าจะจัดการเอาให้เกลี้ยงเลยนะเอจากนั้นท่านก็เลยตายตายในขณะที่กําลังโมโหเนะี่ยไปเกิดเป็นงูนะเป็นงูเหลือมใหญ่อยู่นะั้นอยู่ในกลางในบึงบึงไหนของมนุษย์กลางโรงใหญ่ เออหากินเกิดขึ้นมาแล้วกังูมันก็ปีเดียวกว่าตัวใหญ่เลยใช่ไหมเออพอมาเห็นเออพ่อของเราไปสู่สวรรค์ชั้นไหนนาอนะเพราะท่านทําบุญทําฐานมากเพราะท่านตรวจตราด้วยญาณรัศนะของท่านที่ไหนได้ไปเกิดเป็นงูเหลื้อยอยู่ในกลางหนองบึงบึงใหญ่หากินเควงควางเควงควางอยู่เลอหากินกบกินเขียดอยู่เลย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 เพราะนั้นเราต้องทำบุญทำมากกว่านั้นกว่าเน้ให้คนทุกคนจนบาน้างคนขาเปียเสียขาอะไรลักษณะอย่างนั้นตาหูหนวกตาบอดเราเห็นไครเห็นหมาเราก็ให้หมา เ, าเสียสละทานะเป็นการฝึกฝึกจิตใจให้พวกเราเป็นผู้เสียสละต่อไปภายภาคนั้นอั น, นีนสงทานไม่ไปไหนหรอกมันมาหลังมหาตัวเองนะั่นะไปอยู่นสถานที่ใด